ถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะผู้มีปัญญาเนี่ยละมานยาและมานะได้แล้วละมายานะมานยาหลอกลวงนั่นเองฉั้นความประพฤติหลอกลวงล่อลวงเนี่ยเรียกว่ามานยาพระหัตท่นะมานยาได้หมดทีนี้ผู้ที่มีมานยาเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราจะรู้จักคนที่มีมานยาบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจ แล้วตั้งความปรารถนาอันลามกเพราะเหตุจะปกปิดทูตจริตนั้นคือย่อมปรารถนาว่าใครๆอย่ารู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ทำบาปนะคิดว่าใครๆอย่ารู้เรากล่าววาจาว่าใครๆอย่ารู้เราพยายามด้วยกายว่าใครๆอย่ารู้เราความลวงความเป็นผู้มีความลวงความไม่นึกถึงความอําพรางความปลอม ความปิดบังความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนเร้นความปิดความปกปิดความไม่ทําให้ตื่นความไม่เปิดเผยความปิดด้วยดีความกระทําชั่วเห็นตาหนี้เรียกว่าความลวงเนี่ยนะก็คือเป็นผู้หลอกลวงนั่นนะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีความชั่วก็พยายามจะปกปิดไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยรู้ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะ เรียกว่าปกปิดด้วยวิธีการต่างๆไม่ยอมให้ผู้อื่นเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีความชั่วเนี่ยนะผู้ที่ปกปิดซ่อนเร้นความชั่วที่มีอยู่ในตนเรียกว่ามีมารยาหรือว่ามีความหลอกลวงอันในคําว่ามานยาเนี่ยนะบางทีตัวเองไม่มีศรัทธาก็ทําให้แสดงตนให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองมีศรัทธาอย่างนี้ก็เรียกว่ามานยาอย่างหนึ่งเหมือนกันโอ้อวดเนี่ยนะมารยากับคู่กับโอ้อวดนี่มาคู่กัน ตัวเองไม่มีศีลก็โอ้อวดปรารถนาจะให้ผู้อื่นเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีศีลเป็นต้นอันก็พวกมารยาก็ปกปิดความชั่วของตัวแล้วก็ความดีที่ไม่มีก็พยายามจะเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมเนี่ยจึงเรียกว่าความหลอกลวงนะเขาบอกว่าความหลอกลวงนี่มีการปกปิดความชั่วที่ทําแล้วเนี่ยเป็นลักษณะลักษณะของเขาอ่ะนะคนที่หลอกลวงก็คือตัวเองมีความชั่วก็ปิดอย่างเดียวไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ ในขณะเดียวกันพยายามกลบเกลื่อนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างไงเรียกว่ามารยาหรือหลอกลวงบอกว่าปอกปิดเหมือนอะไรเหมือน่านเพลิงเนี่ยปิดด้วยขี้เท่านะขริงจริงๆแล้วข้างล่างมันมีฐานร้อนลุกโชนเนี่ยแหละแต่ก็เอาขี้เท่ามาปิดไว้หรือว่าสาตราที่ใช้ผ้าเก่าๆเนี่ยพันเอาไว้ก็เลยไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีสาตรามีมีดอยู่ข้างในนะเพราะว่าเอาผ้ามาพันไว้ หรือเหมือนกับที่ที่ตอเนี่ยนะต่อเนี่ยที่น้ําปิดเอาไว้เนี่ยน้ําท่วมเนี่ยก็ไม่เห็นต่อใช่ไหมพอน้ําลดต่อก็โผล่คนผู้มีความชื่วก็เหมือนกันเนี่ยมีความชื่วก็เอาน้าเนี่ยเหมือนเอาน้ํามาปกปิดตัวเองเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีความชั่วเรียกว่ามารยาหรือว่าล่อลวงหลอกลวงเนี่ยนะ มันผู้มีปัญญาเนี่ยท่านละมารยาอย่างนี้ได้เด็ดขาดพาหานเนี่ยมารยาชนิดนี้ท่านละได้หมดและมานะเนี่ยท่านก็ละได้แล้วมานะเนี่ยถ้าแบ่งก็แบ่งเป็นมานะหนึ่งมานะสองอนะมานะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่นะมานะอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงก็คือความที่จิตเนี่ยใสูงหรือยกจิตเนี่ยขึ้นสูงานะสำน ว, นวนว่าลาพองอ่นะไอ้ความลาพองนะ่แหละเรียกว่ามานะ ยกจิตขึ้นสูงมันพองขึ้นเหมือนกับเหมือนกับอึงนะนะเหมือนกับลูกบป่ อ, อ่ะมันพองอันนี้เรียกว่ามานะอย่างหนึ่งมานะถ้าแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือความยกตนอย่างหนึ่งกับข่มผู้อื่นนี่อย่างหนึ่งอันนี้ยกตัวว่าตัวเนี่ยมีดีอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะนะแล้วก็ข่มผู้อื่นว่าคนอื่นเขาไม่ดีเขาเลวอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ามานะ หรือความถือตัวสามอย่างก็คือถือตัวว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาเราเนี่ยเสมอเขาเราเนี่ยเลวกว่าเขาถือตัวเนี่ยนะก็เอาขันอายตนะธาตุนี่แหละมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบนะว่าขันอายตนะธาตุนี้มันก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนเราคือในด้วยอำนาจของโลภะเนี่ยนะโลภะที่มีมา n ะเกิดร่วมด้วยก็ลําพองว่าดีเราเนี่ยดีกว่าเขาเช่นเรามีตาดีกว่าเขาตาของเรากเสมอกเขาหรือว่าตาของเราเนี่ยเลวกว่าเขา อีกนายหนึ่งก็บอกว่าชาติตระกูลของเราเนี่ยดีกว่าเขาชาติตระกูลของเราเสมอกว่าเขาชาติตระกูลของเราเนี่ยเลวกว่าเขาอย่างนี้เรียกว่ามานะสามอย่างส่วนมานะสี่อย่างก็คือถือตัวสีอย่างนะบอกว่าบุคคลยังความถือตัวให้เกิดเพราะลาบนะนะบางคนเนี่ยก็ถือตัวเพราะยศบางคนก็ถือตัวเพราะสรรเสริญบางคนก็ถือตัวเพราะมีความสุขนี่นะอันนี้ก็มานะสี่อย่างก็อาศัยโลกกระทำฝ่ายดีเนี่ยนะ คือลาบยศสรรเสริญความสุขนี่แหละเป็นเหตุให้ถือตัวความถือตัวห้อย่างก็คือบุคคลยังความถือตัวให้เกิดว่าเราเนี่ยได้รูปที่ชอบใจได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธภาภะที่น่าชอบใจเนี่ยนะความที่ตัวเองมีเอ่อเรียก ว, ว่าเพียบพร้อมด้วยเบญจา ก, กามคุณรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิน่นหอมๆรสอร่อยๆนะโพธภาภะที่ดีนี่ก็ถือตัว เรียกว่าความถือตัวห้าอย่างโดยอาศัยรอบเสียงกลิ่นรสโพธพทะทั้งหลายส่วนความถือตัว6อย่างนนะก็คือถือตัวว่าตัวเองเนี่ยมีความถึงพร้อมแห่งตานะตาเราดีกว่าเขานะตาไอหูตัวเองเนี่ยดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีเนะี่ยก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นะแหละมาเป็นที่ตั้งแห่งมานะนะนะเรียกว่ามานะห ถ้ามะเจ็ก็คือเนี่ยความพองก็คือถือตัวนะความถือตัวความถือตัวจัดถือตัวจัดว่าไม่มีใครเท่าเราสักคนเลยนะเราเนี่ยประเสริฐติดเพื่อนหมดอ่ะเรีว่าถือตัวจัดความถือตัวและความถือตัวจัดก็คือบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเสมอกันตอนนี้เราเนี่ยเหนือเรียกว่าเหนือพวกอื่นทั้งหมดอ่ะอย่างนี้เรียกว่าถือตัวด้วยแล้วก็ถือตัวจัดด้วยสําคัญว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งกว่าเพื่อนหมดเลยอ่ะ หรือถือตัวว่าเลวถือตัวว่ายิ่งกว่าอธิมา n ะเนี่ยถือตัวว่าบรร ล, ลุจริงๆไม่ได้บรร ล, ลุคุณจะทำอะไรหรอกแต่สําคัญตนว่าบรร ล, ลุบรร ล, ลุอย่างนี้เรียกว่าอธิมา n a เนี่ยนะจริงๆไม่ได้บรร ล, ลุอริยสัจไม่ได้บรร ล, ลุมรรคผลอะไรสักอย่างหรอกแต่สําคัญว่าตัวเองบรร ล, ลุอย่างนี้เรียกว่าอธิ mana ความถือตัวว่าเรามั่งมีอันนี้ก็มีความถือตัวผิดถือตัวผิด ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้ว่าความถือตัวเจ็ดอย่างส่วนความถือตัวแปดอย่างก็คือบุคคลยังความถือตัวให้เกิดเพราะลาบยังความถือตัวเลวเนี่ยนะให้เกิดเพราะเสื่อมลาบสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาเพราะมีลาบสำคัญว่าเลวกว่าเขาเพราะเสื่อมลาบสำคัญว่าดีกว่าเขาเนี่ยเพราะมียศนะถือว่าตัวเองเลวเนี่ยเพราะเสื่อมยศถื อ, อถือตัวเพราะสรรเสริญเนี่ยนะ แล้วก็ถือตัวเลวให้เกิดเพราะนินทายังความถือตัวให้เกิดเพราะสุขยังความถือตัวเลวให้เกิดเพราะทุกข์หมายคาอว่าเมื่อใดที่มีลาบมียศมีสรรเสริญมีความสุขก็ถือตัวนะถือตัวว่าตัวเองเนี่ยยิ่งละพอเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาได้รับความทุกข์ก็ถือว่าตัวเนี่ยเลวนะนะนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะยัง รักษาลาบรักษายศรักษาคําสรรเสริญรักษาความสุขไว้ได้นะก็ตําณนิติเตียน ต, ต, ต, ต, ตัวเองด้วยอำนาจของมานะเนี่ยก็มีหรือมานะเก้าอย่างก็คือความถือตัวว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นถือตัวว่าเราเนี่ยเสมอกับคนเออเข้าไปถือตัวว่าเราเนี่ยเสมอกับคนดีนี่ยนะถือตัวว่าเราเนี่ยดีกว่าก่อนนะเลวกว่าเออเข้าไอาำไมนะ ความถือตัวเก้าอย่างก็คือความถือตัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดีกว่าคนดีถือตัวว่าเราเนี่ยเสม อ, อกับคนดีถือตัวว่าเราเนี่ยเลวกว่าคนดีนะเช่นว่าตัวเองเป็นพระราชามหากริย์หรือเป็นนักบวชเนี่ยนะก็ถือว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าพวกนักบวชด้วยกันดีกว่าพระราชาด้วยกันบางทีก็ถือว่าเสมอกับพระราชาด้วยกันเนี่ยนะเป็นนักบวชเหมือนกัน หรือว่าเป็นคนเลวกว่าพระราชาด้วยกันเราเนี่ยเลวที่สุดในบรรดาพระราชาทั้งหลายก็เป็นพระราชาที่จนที่สุดในบรรดาพระราชาเหมือนกันเป็นนักบวชก็แหมเป็นบรรพชิตที่โง่ที่สุดในบรรดาบรรพชิตอย่างเงี้ยแต่การถือตัวลักษณะนี้เรียกว่ามานะที่เรียกว่าดีกว่าสําคัญคนว่าดีเนี่ยนะว่าเสมอกับคนดีเลวกว่าคนดีส่วนความถือตัวว่าผู้ดีกว่าคนชั้นเดียวกัน ถือตัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้เสมอถือตัวว่าเร า, ววาเนี่ยคนเลวกว่าคนชั้นเดียวกันเช่นว่าพวกอัมมาศข้าราชการทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยเหนือกว่าพวกบรรดาข้าราชการทั้งหมดน่นนะเราเนี่ยถึงสุดยอดข้าราชการบอกว่าอันนี้เรียกว่าถือว่าดีกว่าคนชั้นเดียวกันนะนะหรือว่าถือตัวว่าเป็นผู้เสมอชั้นเดียวกันก็คือในบรรดาข้าราชการก็พอกันหมดนั่นแหละหรือว่า สำคัญว่าตัวเองเนี่ยเลวกว่าเพื่อนนะต่ำต้อยที่สุดในบรรดาวงราชการเด้วยกันเนี่ยพวกอัมมาท์ทั้งหลายเป็นต้นเขาจะคิดกันอย่างนี้ส่วนความถือตัวว่าเราเนี่ยเป็นคนดีกว่าคนเลว น, นะหรือว่าเสมอกับคนเลวหรือว่าเลวกว่าคนเลวก็คือพวกค้าทาสกรรมกรทั้งหลายเนี่ยนะในบรรดาขี้ข่าเขาทั้งหมดเนี่ยชั้นเนี่ยหัวหน้าขี้ข่าอันนี้ก็ถือตัวว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าในบรรดาขี้ข่าด้วยกันหรือว่าขี้ข่าเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็ซื้อตัวว่าเสมอเท่ากัน หรืแม้เราเนี่ยต่ํำต้อยที่สุดในบรรดาขี้ข้าด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นมานะเนี่ยนะคือมานะว่าดีกว่าว่าเสมอว่าเลวเนี่ยนะสามอย่างส่วนมานะสิบอย่างเนี่ยนะความถือตัวสิบอย่างก็คือบางคนบุคคลบางคนในโลกนี้ยังความถือตัวให้เกิดเพราะชาติเนี่ยนะคือวันน่ะนะชั้นเนี่ยรานะกษัตริย์นะชั้นเนี่ยพรามฉั้นนี่แพทย์หรือโคตเนี่ยนะโคตก็คือ พวกสมัยนี้ก็ตระกูล น, นั่นเองนะนะชื่อตระกูลชั้นเนี่ยตระกูลระดับนี้นะชั้นเนี่ยนามสกุลนั่นเองนะนะถือตัวด้วยนามสกุลนะนะนามสกุลชั้นสูงกว่างั้นนะนะเพราะความเป็นผู้บุตรแห่งสกุลว่า ง, งั้นชั้นเนี่ยสกุลใหญ่นะตระกูลของชั้นนี่ ย, ยิ่งใหญ่มากหรือว่าเป็นผู้มีรูปสวยนะถือตัวเพราะทรัพย์ถือตัวเพราะเรียนมากถือตัวเพราะหน้าที่การงานดีหรือว่ามีขอบเขตความรู้ศิลปะมีวิทยาฐานะฟังม า, มากมีปฏิภาณ หรือด้วยวัตถุอย่างใดเนี่ยอย่างงี้เรียกว่ามานะสิบอย่างเนี่ยนะความถือตัวสิบอย่างความถือตัวกิริยาที่ถือตัวความที่จิตถือตัวความไฝ่สูงความฟูขึ้นคือยกตนขึ้นความทนงตัวความยกตัวความที่จิตไข่สูงดุจธงเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าความถือตัวต้องการเหมือนธงว่างั้นเถอะยกต้องการเด่นก็เพื่อนะนะลักษณะนี้เรียกว่าความถือตัวหรือที่เรียกว่ามานะ บุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยละมารยาและมานะ น, นะมายาก็คือหลอกลวงละมานะคือความถือตัวเนี่ยนะอันผู้มีปัญญาเนี่ยละเวน้นบรรเทาทำให้หมดทำให้ไม่มีซึ่งมารยาและมานะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าบุคคลผู้มีปัญญาละมารยาและมานะได้แล้ว น, น ะ, ะบุคคลผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงจะพึงไปด้วยกิเลสอะไรเล่า น, นะนะ คือผู้ที่เขามีปัญญาอย่างนี้เนี่ยนะเขาไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงไอ้กิเลสเครื่องเข้าถึงคือตัณหาทิฏฐิเนี่ยนะตัณหากับทิฏฐิอันบุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยละกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตัณหาสละกิเลสเครื่องเข้าถึงคือทิฏฐิไม่ว่าจะอารมณ์ใดๆก็ตามเนี่ยนะผู้มีปัญญาเนี่ยไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิเลยกับทุกผลทุกแห่งกับทุกเรื่องทุกราวกับทุกอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้น แล้วใครจะพาท่านไปได้ล่ะว่างั้นบุคคลผู้มีปัญญานั้นจะพึงไปด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทธักุกุวิจิกิจชาอนุสัยอะไรเล่านะคือการไปของสัตว์ทั้งหลายนะบางคนก็ไปด้วยราคะใช่ไหมไปไหนมาไหนเนี่ยบางคนก็ไปด้วยราคะบางคนก็ไปด้วยอำนาจของโทสะบางคนก็ไปด้วยอำนาจของโมหะบางพวกก็ไปด้วยอำนาจมานะเนี่ยนะบางพวกก็ไปด้วยอำนาจทิฏฐิ บางพวกก็ไปด้วยอำนาจความฟุ้งซ่านบางพวกก็ไปด้วยความสงสัยบางพวกก็ไปด้วยอนุสัยแต่ถ้ามองแบบธรรมดาก็คือพูดถึงพวกนักเดินทางทั้งหลายเนี่ยนะพวกนักเดินทางที่ต้องการความเพลิดเพลินอย่างเดียวเรียกว่าไปด้วยอำนาจราคะพวกโทสะก็คือจะไปหาเรื่องใครสักคนหนึ่งจะไปดา่าไปว่าไปอะไรทั้งหลายเลยอันนี้เรียกว่าไปด้วยโทสะไปด้วยความลุ่มหลงมัวเมา แอานั่นนั่นก็ไปด้วยโมหะไปด้วยความถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างพวกนี้ก็ถือไปด้วยอํานาจมานะไปด้วยอํานาจทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าไปด้วยอํานาจทิฏฐิบางคนเนี่ยไปด้วยความฟุ้งไปเรื่องนี้ไปด้วยอุทจฉาบางพวกก็ไปด้วยความลังเลสงสัยเนี่ยนะเรียกว่าไปด้วยวิจิกิจชาบางพวกมีกิเลสมีกําลังอย่างนี้เรียกว่าด้วยอนุสัยอันะั มันผู้มีปัญญาเนี่ยใครจะไปว่าท่านว่าเป็นผู้กำหนัดขัดเครื่องผู้หลงผู้ผูกพันผู้ถือมั่นผู้ถึงความฟุง้งซ่านถึงความไม่ตกลงหรือโดยเรี่ยวแรงเพราะว่ากิเลสเครื่องปรุงแต่งเหล่านั้นอันผู้มีปัญญานั้นละแล้วเพราะเป็นผู้ละกิเลสเครื่องปรุงแต่งแล้วจะพึงไปสู่คติทั้งหลายด้วยกิเลสอะไรเล่าเนี่ยคือกิเลสตัวไหนอ่ะจะพานำตัวนท่านไปเกิดในที่ต่างๆเนี่ยนะ ว่าจะไปเกิดในนรกเกิดในเดริชานเกิดในเปรตเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปเกิดเป็นสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาหรือว่าเนวะสัญญานาสัญญาบุคคลผู้มีปัญญานั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกาณะอันเป็นเครื่องนําไปคือไม่มีตัวปัจจัยที่จะนําไปปฏิสนธิในที่ต่างๆชีวิตของพระอรหันต์ทั้งหลายการเดชะการ ไปทางกายหรือไปทางวาจาการไปทางความคิดของท่านท่านไม่ไปด้วยกิเลสแม้แต่นิดเดียวเมื่อไม่เป็นไปด้วยกิเลสเนี่ยนะนะการไปคือด้วยปฏิสนธิเนี่ยจึงไม่มีสําหรับท่านอาพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าทิฐิที่ททททกําหนดเพื่อเกิดในภพน้อยและภพใหญ่ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีปัญญาในที่ไหนในโลกเพราะบุคคลผู้มีปัญญาละมารยาและมานะได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส เครื่องเข้าถึงจะพึงไปด้วยกิเลสอะไรเล่าเนี่ยนะจะเอากิเลสไหนนาไปเกิดในที่ต่างๆไม่มีอีกแล้วว่งั้นบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องเข้าถึงย่อมเข้าถึงวาทะติเตียนในธรรมทั้งหลายใครๆจะพึงกล่าวติเตียนบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงด้วยกิเลสอะไรอย่างไรเล่าเพราะทิฏฐิถือว่าอัตตาหรือถือว่านิรัตาเนี่ยนะมีตนกับไม่มีตนเนี่ย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้นบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงนั้นสลัดเสียแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในโลกนี้นี่แหลนะคือพวกที่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงคือตันหาและทิฏฐิเนี่ยนะก็จะถูกติเตียนในพระธรรมทั้งหลายะคนมีกิเลสเนี่ยถูกตำห น, นิเหมือนกันแต่ถ้าผู้ไม่มีกิเลสเนี่ยนะใครจะมาติเตียนท่านเอากิเลสอะไรมาติเตียนท่านล่ะเพราะว่า ความถือด้วยอำนาจสัสตะทิฐิอุเฉท ท, ทิฏฐิก็ไม่มีแก่ท่านท่านไม่มีทิฐิสักอย่างหนึ่งเพรา ะ, ะท่านไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงอย่างนี้สลับทิฐิทั้งปวงอ่ะนะทิฏฐิของท่านท่านละหมดในโลกนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่จึงไม่ไปสู่ภพใดแม้ภพเดียว